จเจริญพรท่านโทนี้จตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่ส2สองเสียงหาคมพุทธศักราช2 5 5พราเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับ ลุกลูกทุกทกคนเพราะวันนี้ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นวันพระราชสมพน์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้ถือวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อจะได้ให้ลูกๆทุกคนได้ในเวลามารำลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของแม่และของพ่อผู้ให้กำเนิดเพราะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะไม่มีลูกลูกจึงเป็นหนี้บุญคุณต่อพ่อแม่ตลอดชีวิต การทดแทนบุญคุณของให้แก่พ่อแม่จึงเป็นหน้าที่ของคนดีของลูกที่ดีแต่บุญคุณของพ่อแม่นี้ต่อให้เราได้ทดแทนมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถทดแทนได้หมดเพราะสิ่งที่เราให้พ่อแม่ได้ก็เป็นเพียงเข้าวของเงินทอง การดูแลให้ท่านได้อยู่อย่างสุขสบายเท่านั้นและเราไม่สามารถให้ชีวิตแก่ท่านได้เหมือนกับท่านให้ชีวิตกับเรามีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถทดแทนบุญคุณอันใหญ่หลวงนี้ได้หมดก็คือการทำให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรม ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงจะถือว่าชดใช้บุญคุณได้หมดเพราะการได้เป็นพระอริยเจ้านี้มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตที่ท่านมอบให้กับเราเพราะถ้าท่านได้เป็นพระอริยเจ้าแล้ว ท่านจะไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอยีกต่อไปสมมติว่าถ้าท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันท่านก็จะมีเหลือภบชาติอยู่เพียงเจดชาติและจะเป็นพบชาติที่อยู่ในของมนุษย์คือจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกถึงแม้จะเคยทําบาปทํากรรม มามากน้อยเพียงรอยก็ตามบาปกรรมเหล่านั้นจะไม่มีกำลังที่จะฉุดให้ท่านต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมที่จะเหนี่ยวรังใจของท่านไม่ให้ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายต่อไปหลังที่พระพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุแล้วก็ทรงใช้ยานเล็งหาดูว่าพระพุทธมารดาที่ได้แสดงสวรรค์7วันหลังจากทีใ่ให้พระพุทธเจ้าได้ประสูดออกมาว่าตอนนี้ประทับอยู่ที่ไหนหลังจากที่ใช้ยานเล็งอย่างดูแล้วก็ทราบว่าได้อยู่ในสวรรค์ จึงได้ติดต่อทางวิญญาณทางสมาธิแล้วก็ได้โปรดพระพุทธมาดาแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาหนึ่งพันษาด้วยกันจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงทรงได้ทดแทนพระคุณอันใหญ่หลวง ของพระพุทธมารดาได้อย่างหมดสิน้นทั้งๆ ท, ที่พระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามแต่ความสามารถของพระพุทธเจ้ามีมากกว่าปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราอย่างพวกเราถ้าบิดามารดาได้จากเราไปแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็เพียงแต่ ทำบุญกวดน้ำไปให้ท่านเท่านั้นเผื่อว่าท่านอยู่ในสภาพที่ต้องอาศัยบุญอุทิศนี้ท่านก็จะได้รับส่วนบุญนี้ไปเพื่อบรรเทาความหิวความต้องการความอยากของใจของท่านแต่ถ้าท่านได้ไปเกิดในสวรรค์หรือได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็ท่านก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องรอรับส่วนบุญที่เราอุทิศไปให้เพราะบุญอุทิศนี้เป็นบุญส่วนน้อยแต่บุญที่ท่านได้ทำไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่จนส่งให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นบุญส่วนใหญ่ท่านจึงไม่จำเป็นที่จะรอรับบุญอุทิศ ซึ่งเป็นเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานแต่ท่านนี้เป็นเศรษฐีแล้วเพราะท่านได้ทำบุญไว้มากในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าท่านต้องไปใช้กรรมในอบายเราก็ไม่สามารถที่จะส่งบุญไปให้ท่านได้ถ้าท่านอยู่ในนรกในนรกนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ติดคุกเขาไม่ให้ส่งข้าวส่งของไปให้ หรือถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่สามารถอุทิศบุญให้ได้เดรัจฉานก็ต้องหากินไปตามอัตภาพของเขามีมีมีพวกเดียวที่สามารถรับบุญอุทิศนี้ได้ก็คือพวกเปรตที่เรียกว่าสัมภเวสีพวกนี้เขาจะมีความหิว ก็หายอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่มีบุญที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเขาให้มีความอิ่มความพอได้เขาจึงต้องรอบุญที่เราอุทิศไปให้นี่คก็คือสิ่งที่เราทำได้สำหรับถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณบิดามารดาของพวกเราที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกครั้งที่เราทำบุญก็ขอให้เรากรวดน้ำไปเพื่อท่านกำลังอรอเราอยู่เราก็จะได้ทดแทนบุญคุณได้ส่วนหนึ่งแต่การทดแทนบุญคุณนี้ดีที่สุดก็ทำในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่สามารถออกบวชปฏิบัติธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้ อย่างน้อยก็ขอให้เราดูแลพ่อแม่ของเราในเวลาที่ท่านแก่ชราภาพไม่มีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็ขอให้เราเลี้ยงดูท่านอย่าปล่อยให้ท่านไปอยู่ตามบ้านคนชราเพราะจะเป็นการขาดความกตัญญูกตเวที พ่อแม่ของเรานี้ท่านมีพระคุณกับเรามากเราควรที่จะกราบท่านทุกเช้าทุกเย็นเพราะอะไรเพราะการกราบท่านนี้จะได้เป็นการลำเลึกถึงพระคุณของท่านแล้วจะทำให้เราไม่ลืมท่านถ้าเราไม่กราบเลยเรามัวแต่ทมมาหากิน เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราก็จะมากลบเรื่องของพ่อของแม่ไปหมดจนทำให้เราลืมนึกถึงพ่อถึงแม่ไปได้ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ร่วมกันกับพ่อกับแม่การกราบท่านก็เป็นการลําลึกถึงท่านทำให้เราคอยคิดอยู่เสมอห่วงใยท่านแล้วเราก็จะได้ หาเวลาคุยกับท่านบ้างหรือมีเวลามากก็แวะไปเยี่ยมท่านมีข้าวมีของมีอะไรก็เอาไปให้หรือพาท่านไปตามสถานที่ต่างๆที่ท่านอยากจะไปถ้าท่านมาวัดอยากจะมาวัดก็พาท่านมาวัดมาทำบุญให้ทานมาฟังเทศฟังธรรม มารักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อท่านอาจจะมีในตาดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้หรือถ้าเรามีอายุครบบวชอายุครบยี่สิบเราก็บวชเพราะเวลาบวชนี้ก็จะทำให้พ่อแม่ที่อาจจะไม่เคยเข้าวัดหรือมีเวลาน้อยไม่สามารถเข้าวัดได้แต่พอมีลูกมาบวชที่วัดก็จะ ต้องมาเยี่ยมลูกเพราะมีความห่วงใยมีความรักลูกก็จะมาวัดมากขึ้นกว่าปกติการมาวัด น, นี้เป็นการมาสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆที่จะทำให้บรรยุเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาได้ในลำดับต่อไปดังนั้นการบวชนี้จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ จะใช้ทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่ได้ก็ถ้าพ่อแม่มาวัดบ่อยๆฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆก็อาจจะบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาก็ได้ลูกก็เลยจะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างเต็มที่อย่างที่เขาพูดกันว่าเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ไปมากผลนิพพานนี่เองพ่อแม่ก็ต้องอาศัย ชายผ้าเหลืองของลูกเช่นพ่อแม่ของพระพุทธเจา้าก็อาศัยชายผ้าเหลืองของพระพุทธเจา้าแม่ก็ได้เป็นพระโสดาบันข้าก็ได้เป็นพระอาราหันต์ญาติพี่น้องก็ได้เป็นพระอาริยบุคคลท่านต่างๆเป็นจนํานวนมากเพราะอ น, นิสงส์ของคนคนเดียวคนที่ ก้าสละความสุขทางโลกแล้วออกบวชปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสุขทางใจเพื่อหามากผลนิพพานพอได้บรรลุ ม, มักผลนิพพานแล้วก็จะสามารถสั่งสอนให้ผู้อื่นได้มีความเชื่อมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตาม แล้วเมื่อได้ปฏิบัติตามผลต่างๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นการออกบวชจึงถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อแม่ได้ดียิ่งกว่าการเลี้ยงดูท่านดังนั้นถ้าเรามีอายุครบบวชก็ควรที่จะออกบวช แล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติพอเราได้บารลุผลมากน้อยเราก็จะสามารถสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไปส่วนพ่อแม่นี้จะสั่งสอนท่านได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของพ่อแม่เอง ถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถสั่งสอนได้ถ้ามีศรัทธาก็ถ้าถามก็สามารถที่จะบอกให้ท่านทราบได้แต่ถ้าท่านไม่มีศรัทธาก็ไม่ควรที่จะไปสั่งสอนพ่อแานเพราะท่านยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราอยู่ mm. นอกจากว่าท่านเห็นว่าเราบวชแล้วเรามีความประพฤติดี เรามีความรู้ท่านก็อาจจะอยากรู้อยากจะศึกษาจากเราถ้าท่านถามหรืออาราธนาให้เราได้แสดงธรรมเราถึงจะแสดงได้ถึงจะพูดได้พราะถ้าเราไปแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะเหมือนเทน้ำใส่แก้วที่คว่าไว้อยู่ เทเข้าไปอย่างไรก็จะไม่สามารถรองรับน้าไว้ไดานั่นเองก็จะเสียน้ำไปเ ป, ปล่าๆแต่ถ้าเขามีศรัทธาก็เป็นเหมือนกับไงแก้วขึ้นมาไว้รองรับน้าเราเทน้ำเข้าไปในแก้วน้ำก็จะอยู่ในแก้วเ ข, เขาก็จะได้รับประโยชน์จากน้ำที่เราให้เขาไป ความรู้ธรรมะที่เราได้เรียนรู้ก็เป็นเช่นนั้นถึงแม้จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ถ้าผู้ฟังไม่ยินดีก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นเวลาแสดงธรรมหรือสั่งสอนผู้อื่นก็ต้องดูว่าผู้อื่นพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่ ถ้าเขาไม่ฟ้อมไม่พร้อมก็อย่าเสียเวลาเพราะไม่เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ฟังก็จะเกิดความลำคาญใจเพราะไม่พร้อมที่จะฟังนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะมีปรารถนาดีมีความปรารถนาอยากที่จะให้เขาได้รู้สิ่งดีๆแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะรู้ ก็อย่าไปบังคับใจกันจะเป็นผลเสียมากกว่าจะเป็นผลดีการแสดงธรรมนั้นทางศาสนาพูดจึงถือว่าต้องมีการอราธนาก่อนหรือต้องรู้ว่าผู้ที่ฟังนั้นมีความสนใจมีความต้องการที่จะฟังก่อนถึงจะแสดงเพราะจะได้รับประโยชน์อย่างมาก เวลาที่มีศรัทธามีความเชื่อเวลาฟังก็จะฟังอย่างสงบสงบกายสงบวาจาและสงบใจการสงบกายสงบวาจาก็เป็นศีลการสงบใจก็เป็นสมาธิคืคอใจนิ่งใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจตั้งใจฟังเสียงธรรม ที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็เข้าไปสู่ใจถ้าพิจารณาตามได้ก็จะเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องถ้าฟังแล้วไม่สามารถพิจารณาได้แต่ฟังคือเอาเสียงนี้มากล่องใจใจก็จะสงบเป็นสมาธิได้ การฟังธรรมจึงมีอนิสงได้สองอย่างสองรูปแบบฟังแล้วทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิหรือฟังแล้วทำให้เกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิอย่างบุคคลต่างๆที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าปรากฏฟังแล้วพิจารณาตาเกิดความเข้าใจ ก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆมีเป็นจำนวนมากบางครั้งฟังทีเดียวบรรลุทีห้าร้อยรูปก็มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงทำให้แก่นักบวชในรัฐที่อื่นพอหลังจากที่ได้ทรงแสดงเสร็จนักบวชทั้งห้าร้อยรูปที่ฟังทำอยู่นั้นก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเลย เพราะเขาฟังด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสติด้วยความไข้ควรวนด้วยการพิจารณาเขาจึงสามารถที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังเลยแต่ถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่นิ่งกายเราก็ไม่นิ่งเช่นฟังไปเราก็ทำเรื่องนั้นทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ไป หรือฟังไปแล้วก็พูดคุยกับคนนั้นพูดคุยกับคนนี้หรือฟังแล้วใจก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าฟังแบบนี้ก็ฟังเหมือนกับทัพทพีในหม้อแกงคือถึงแม้ว่าจะสัมผัสกับแกงที่มีอยู่ในหม้อแต่ทัพทพีจะไม่รู้ว่าเป็นแกงชนิดใดไม่เหมือนกับการฟังด้วย กายวาจาใจที่สงบมีสติตั้งใจฟังก็จะฟังเป็นเหมือนลิ้นกับแกงลิ้นกับแกงนี้เวลาสัมผับกานปั๊บจะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดใดจะเป็นแกงเผ็ดแกงจืดจะเป็นรสอร่อยหรือไม่อร่อยนี้จะรู้ได้ทันทีการฟังทรงถ้าอยากจะให้ได้ผล ก็ต้องฟังด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสติคือกายก็ต้องนิ่งสงบนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรจะทำอะไรวาจาก็ไม่ควรที่จะพูดกับใครจิตก็ไม่ควรที่จะคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่รับรองได้ว่าจะต้องได้ผลบ้างตามฐานะของตนอย่างแน่นอน ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นถ้ากำลังเจริญมักที่จะก้าวเข้าสู่มรรคผลของโสดาของพระโสดาบันถ้าฟังไปแล้วก็อาจจะบรรลุเป็นพระโสดาบานได้เลยเช่นเดียวกับทำขั้นอื่นๆ อ, อยู่ที่ความสามารถของผู้ที่แสดงด้วย ถ้าได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโอกาสที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนี้ก็จะได้อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้านี้จะรู้ธรรมทุกขั้นทุกตอนทุกระดับและจะแสดงธรรมะทุกขั้นทุกระดับให้เหมาะสมแก่ผู้ฟัง <c oughs> ถ้าผู้ฟังอยู่ในขั้นสูง <c oughs> ก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้เลยถ้ายังอยู่ขั้นต่ำอยู่ ก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมขั้นต่ำได้เพราะพระพุทธเจ้ามีความสามารถที่จะอ่านจิตใจของผู้ฟังได้ว่าจิตใจอยู่ในระดับใดอยู่ชั้นปฐมอยู่ชั้นมัธยมหรืออยู่ชั้นอุดมศึกษาจะให้วิชาความรู้ที่เหมาะสมก่อผู้ฟังแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่ม และจะทำให้เขาบรรลุธรรมได้ถ้าไปแสดงธรรมสูงกว่าผู้ฟังที่จะรับได้ก็จะไม่เกิดประโยชน์หรือแสดงธรรมขั้นต่ำกว่าที่ผู้ฟังมีอยู่แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันการแสดงธรรมก็ต้องแสดงให้เหมาะกับฐานะของผู้ฟังก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นเลิศเป็นอันดับหนึ่ง ลองลงมาก็เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายและพระอริยเจ้าระดับต่างๆตามกันมาความาสามารถในการสั่งสอนธรรมก็จะมีความต่างกันตามระดับธรรมของแต่ละท่านที่ได้บรรลุดังนั้นการได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าระดับต่างๆจึงได้อ น, นิสงส์ไม่เท่ากันถ้าฟังจากพระโสดาบัน อย่างมากก็จะได้บรรลุแค่ระดับโสดาบันถ้าฟังจากพระสกิดาคามีอย่างมากก็จะได้รับบรรลุขั้นสกิดาคามีถ้าฟังจากพระอนาคามีอย่างมากก็จะบรรลุได้ขั้นอนาคามีถ้าฟังจากพระพุทธเจ้าก็หรือพระอรหันต์ก็จะบรรลุได้ถึงขั้นพระอรหันต์ได้ถึงพระนิพพานได้ดังนั้นจึงมีคํา สอนที่ให้เราเลือกทำบุญแก่พระที่ดีเพราะผู้ที่พระที่ดีที่มีความรู้มากก็จะสอนให้เราบรรลุธรรมขั้นสูงได้ถ้าท่านไม่ดีท่านไม่มีความรู้ท่านก็จะไม่สามารถสอนให้เราบรรลุได้หรืออาจจะสอนให้เราหลงทางก็ได้ถ้าท่านเองไม่ได้บรรลุธรรม ท่านก็จะไม่รู้ธรรมที่ที่เราต้องการอยากจะรู้ยังมีความเชื่อในการทำบุญว่าถ้าทำบุญกับพระที่ดีเช่นพระอริยเจ้านั้นจะได้บุญมากกว่าทำบุญกับพระธรรมดาพระที่ยังไม่ได้บรรลุดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ญาติโยมมักจะมุ่งไปหาพระที่มี มีผู้เล่าเลยหรือมีผู้เชื่อถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอวเป็นพระที่มีคุณธรรมสูงเพราะว่าการไปทำบุญกับท่านนั้นเราจะได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยและเราก็จะได้ความรู้ที่จะช่วยทำให้เราพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นได้ แต่ถ้าเราทำบุญโดยที่ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเลยก็จะไม่ได้รับอนิสงผลบุญส่วนนี้ทำบุญกับพระรูปใดถ้าท่านไม่พูดก็จะได้บุญเท่ากันคือเราจะไม่ได้บุญเพิ่มจากการแสดงธรรมนี้เองแต่ถ้าท่านแสดงธรรมเราก็จะได้บุญเพิ่มหรือว่าเราไม่ฟังธรรมเราทำบุญตัง บ, บาทเสร็จแล้ว เราก็กลับบ้านไปเลยเราก็จะได้บุญครื่งเดียวคือบุญที่เกิดจากการให้เราก็จะได้ความสุขใจความอิ่มเอิบใจแต่เราจะไม่ได้ปัญญาจะไม่ได้สัมมาทิฏฐิจะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญแล้วได้บุญมากๆนอกจากการทำบุญตักบาทแล้วถ้ามีการแสดงธรรม เราก็ควรที่จะรอฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนหรือถ้ามีหนังสือธรรมะแจกเราก็ควรที่จะหยิบไปอ่านเพราะจะทําให้เรามีความฉลาดขึ้นมีความรู้ที่ดีขึ้นความฉลาดหรือความรู้ทางพระพุทธศาสนามีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากกว่าความรู้ทางโลก ความรู้ทางโลกนี้ถึงแม้จะทำให้เราร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ก็ตามแต่ไม่สามารถทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้คนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนี้ก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่แต่คนที่มีความรู้ทางธรรมะทางศาสนานี้ถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ จะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจิตใจของท่านนี้ไม่มีความทุกข์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆท่านจะไม่มีความทุกข์เลยหรือการพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาหรือการสูญเสียสิ่งที่รักไป จะไม่เป็นปัญหากับใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของท่านไม่ได้อยู่กับท่านไปตลอดสักวันหนึ่งก็ต้องแยกทางกันใจก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากร่างกายจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง จากญาตสนิทมิตรสหายจากคู่รักคู่ครองจากลูกจากหลานไปทั้งหมดไม่มีใจดวงใดสามารถเอาอะไรติดไปได้เลยถ้าใจมีปัญญาก็จะไปอย่างสบายอยู่ก็อยู่อย่างสบายไม่มีตกไม่กมังวลไม่หวั่นกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเพราะได้ตรงอได้ ทำใจเอาไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งต้องจากกันอย่างแน่นอนต้องเสียอย่างแน่นอนพอทำใจได้แล้วใจก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้เป็นไป <c oughs> ตามความจริงแต่ขณะที่อยู่ร่วมกันก็ดูแลกันไปด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันทําอะไรให้ไก่กันได้ก็ทํากันไป แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความจริงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติใจจะไม่มาร้องผมร้องไห้ไม่มาเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอกไม่หรอกเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถที่จะไปห้ามสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้วได้นั่นเองแต่เราสามารถห้ามใจ ของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจได้นี่คือคุณค่าคุณประโยชน์ของความรู้ทางพระพุทธศาสนาดังนั้นเราจึงควรพุ่งเป้าไปที่ตรงนี้เวลาที่เรามาทำบุญเราควรจะนึกถึงบุญที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือปัญญาเราต้องพยายามสร้างปัญญาให้เกิดด้วยวิธีการต่างๆ ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะด้วยความค่อยควนคิดถึงธรรมะอยู่เรื่อยๆหรือด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจิตใจของเราจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับและจะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆไปตามลำดับได้อย่างแน่นอนจึงขอฝาก เรื่องของการมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดาและมารดาเนื่องในวันแม่แห่งชาตินี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจณ า, าและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุสมผลบุญที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้าแคราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ